พวกเราก็เข้าสู่บัลลังเลยนั่งคูบัลลังตั้งกายให้ตรงนั่งคูบัลลังตั้งกายให้ตรง ดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าคําว่าดำรงสติอยู่เฉพาะหน้านี่พยายามอย่าลืมคือพอนั่งตั้งบัลลังก์เสร็จแล้วตั้งกายตรงแล้วน้อมเอาความรู้สึกมาไว้ที่ใบหน้าของตนเองช้าชาหรู้สึกที่ใบหน้าของตนเองให้มันชา้าแต่ต้องไม่ต้องไปกำหนดมาก พอรู้สึกที่ใบหน้าอย่างเช่นว่าถ้าเรารู้สึกไม่ได้ทันทีอาจจะรู้สึกที่หน้าผาที่แก้มซ้ายแก้มขวาที่คางที่ปากที่จมูกระลึกไปเรื่อยๆระลึกไปเรื่อยๆจากนั้นก็เลื่อนไปที่จมูกซึ่งเป็นที่ทางเดินของลมหายใจออกลมหายใจเข้าจากนั้นเข้าไปถูกช่องจมูก ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมที่เคลื่อนออกเคลื่อนเข้าตรงนี้ตรงช่องฉมูกนี้หายใจเข้าไม่สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาช้าชาเมื่อได้แล้วก็หายใจเข้ารู้ หายใจออกรู้รู้อยู่ที่เดียวตรงที่นิมิตลมหายใจออกก็รู้อยู่ตรงนั้นลมหายใจเข้าก็รู้อยู่ตรงนั้นรู้ตามความนานของลมหายใจที่ไหลเข้ารู้ตามความนานของลมหายใจที่ไหลออกไม่ต้องจ้องไม่ต้องเพ่งไม่ต้องไปกดอะไรมากมาย เพียงแค่รู้อยู่ตรงนั้นลมออกรู้ลมเข้ารู้ตัวนิมิตลมออกลมเข้าเขาก็จะเป็นสัตว์เป็นส่วนรู้อาศัยนิมิตแต่ไม่ใช่ไปกดอยู่ที่นิมิตรู้แค่อาศัยนิมิตเพื่อที่จะรู้ลมหายใจออก ตามความยาวของลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าตามความยาวของลมหายใจเข้าความยาวนั้นเป็นยาวยาวตามความนานตามระยะเวล า, านานมันนานเท่าไรก็รู้เท่านั้นมันนานเท่าไรก็รู้เท่านั้นมันนานเท่าไหรก็รู้เท่านั้นถ้าเปรียบเป็นเสียงลมหายใจเข้าตึ ก็รู้อยู่ที่นิมิตนั้นเราก็ตืดที่เราตืนตืดยาวนะตืดยาวตืลมที่มันครูดเข้าไปในตอนที่เราหายใจเข้านะเราก็เฝ้ารู้อยู่ตรงนั้นแล้วก็รู้ลมที่มันครูดเข้าไปตืมื่ลมออกก็เฝ้ารู้อยู่ตรงนั้นถึงลมออกที่มันครูดออกมาตื อย่างนี้เรียกว่าลมยาวรู้ลมยาวเป็นลมปกติเราไม่ต้องไปทําให้เขายาวเอาลมเข้าเราก็รู้อีกตามความยาวของลมที่ไหลเข้าเป็นการยาวตลอดเวลาของลมที่เรียกว่ารู้ตามเวลาของเขาตามเวลาที่มันนานที่มันคลูดเกิดไปคลูดเกิดไปคลูดเกิดไปได้อย่างนี้ มันจะทาให้ตัวรู้เนี่ยออกมาจากนิมิตออกมาจากลมหายใจออกออกมาจากลมหาย ใ, ใจเข้าแล้วควารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่นิมิตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเราค่อยๆปรับแล้วค่อยๆทำช้าๆเมื่อใดที่จิตมันลงตัวตัวรู้มันลงตัวคือไม่กดที่นิมิตไม่กดที่ลมหายใจออกไม่ไม่กดที่ลมหายใจเข้าแต่ข้ารู้ลม <living>. <in general> ตั้งกล่าวตามความเป็นจริงอย่างนั้นจิตมั inside, ne, นก็เข really ้าสู่ความสงบเพราะมันจะมีอารมณ์เป็นอันเดียวมันไม่กระจัดกระจายไม่สัดสายหายใจออกก็รู้ห้ยใจเข้าก็รู้ทำอย่างนี้ต่อเนื่องไปเกิดเป็นความคิดเกิดความสัดสายอันใดขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจมากแค่รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้น ก็จิตกลับไปที่นิมิตแล้วก็เฝ้ารู้ลมหายใจออกเฝ้ารู้ลมหายใจเข้า ลมหายใจออกจะเกิดคือขณะที่ลมหายใจไหลออกออกมานั้นไม่ต้องไปเพ่งเล็งที่นิมิตไม่ต้องไปคํานึงนิมิตไอ้มากเพื่อที่จะรู้ลมออกเพียงแต่ว่าอยู่ที่นิมิตนั้นแหละรู้ลมออกแต่ไม่ต้องไปต้องไม่ต้องไปเพ่งเล็งที่นิมิตมันก็จะรู้สึกได้ถึงลมออกที่มัน ไหลออกผ่านตรงที่นิมิตแล้วเราก็รู้สึกตรงนั้นจะสังเกตว่าไอ้รู้ตรงนี้มันไม่ได้จ้องไม่ได้เล็งไม่ได้กดไปที่นิมิตไม่ได้จ้องไม่ได้เล็งไม่ได้กดไปที่ลมแต่มันจะรู้สึกเป็นรู้ที่รู้ถึงการที่ลมมันไหลออกตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมไปเรื่อยๆตามระยะเวลาของมันตรงที่นิมิต รูลมออกรูลมเข้ารูลมออกรูลมเข้า Thank mm -hmm. you. จิตกำหนดไปที่ปลายนิ้วมือขวาขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกแล้วยกมือขวาขึ้นชา้าชาเลื่อนมือขวาไปวางไว้ที่เข่าข้างขวาให้จิตรู้สึกขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกยกมือซ้ายขึ้นช้าชาเลื่อนมือซ้ายไปวางไว้ที่เข่าข้างซ้ายให้จิตรู้สึกแะยกจิตกลับมาอยู่ที่ใบหน้ารู้อยู่เฉพาะหน้า ปะหกหน้านิดหนึ่งแล้วก็ลืมตาออกจากสมาธิอันเนี้ยอันเนี้ยนั่งรอบเนี้ยจะดีเลยทีนี้อ่หลังจากเดินแล้วรู้ลมคนที่ไม่เคยเดินรู้ลมเลยหลังจากเดินรู้ลมแล้วกลับมานั่งรู้ลมเป็นยังไงอ่ะคนมีดิเออเป็นไงบ้างหลังจากไม่เคยเดินรู้ลมหายใจใช่ไหมหลังจากเดินรู้ลมหายใจแล้วมานั่งเนี่ยเป็นยังไง ก็ทำให้เวลาที่เราจะเข้าสมาธิก็อาจจะอยู่กับตัวเองได้เร็วขึ้นค่ะอืมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะแต่จากนี้ไปก็พยายามอยู่กับบ่อยๆเพื่อให้มันเกิดการต่อเนื่องแล่ครั้งหน้ามันจะได้พัฒนาขึ้นมาเออข้างหลังชงไปข้างหลังทีห่หลังจากเดิน เทียบเทียบเมื่อเช้าเมื่อเช้าเรามารู้ลมใช่ไหมแล้วเราก็ไปเดินเมื่อตอนบ่ายนี้เดินรู้ลมเสร็จแล้วกลับมานั่งใหม่คร น, นี้สวัสเภาะเป็นยังไงมั่งเมื่อเช้าจะฟุ้งมากกว่าเหมือนอาจจะเพราะว่ามันเหมือนได้ฝึกไประดับหนึ่งมั้งคะแล้วพอไปเดินไปเดินก็รู้สึกว่ามันมันเหมือนเราต้องรู้ทั้งลม เราก็รู้การเดินมันก็เหมือนควบคุมมากขึ้นมันก็เลยทําให้ฟุ้งน้อยพอกลับมานั่งมันก็ยังมีไปฟุ้งนะคะแต่อาจจะน้อยกว่าช่วงเช้าแล้วก็กลับมาได้เร็วกว่าไอ้ตัวตัวสภาวะที่การรู้ลมออกรู้ลมเข้าชัดเจนขึ้นไหมชัดเจนขึ้นค่ะรู้อยู่ที่เดียวค่ ะ, ะรู้อยู่ที่เดียวค่ะถ้าเกิดไปทําเอง มันมีสภาวะเช่นว่าจิตมันหลุดออกไปคิดจิตมันหลุดออกไปตามลมวิ่งลมออกลมเข้าวิว่งตามลมอย่างนี้มันเป็นสภาวะที่ไม่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องให้ค่าเขาแค่รู้ว่าเขาเกิดขึ้นแล้วก็เฝ้าอยู่ที่ที่นิมิตเพื่อรู้ลมหายใจต่อไปนะโยมหน่อยพงโยมนี่น่าจะตอนเดินตอนเดินตอนนั่งนี่น่าจะมีหลายเรื่องอยู่ค่อยๆลาดับนะค่อยๆลดับพูดไป ตามช่วงเดิร์นี้มันจะมีความจังหวะที่อไ่ไม่ไม่รู้ลงแล้วก็ไม่ได้ทึ่งชาด้วยเห mm hmm. มือนกับวูขายไปนิดนึงอ mm ืม hmm. แล้วต้องต้องวิ่งตึงกลับมาด mm ู hmm. ลมใหม่เลยหรืออันนี้แหละเกิดเดิมเนี่ยสามารถหลับได้ด้วยรู้เป่า mm hmm. เดินนี่สามารถหลับได้ด้วยเชื่ อ, อยังนี่คือสภาวะที่จิตคือสภาวะนี่มันมันสามารถหลับได้เนี้ยเนี่ยอาการหลับหลับได้ทั้งทั้งเนเดิ น, ดนหลับได้ทั้งเดินก็เรียกว่าหลับทั้งยืนแต่จังหวะมันเปิ๊บเดียวใช่ไหมพอเรากลังเดินอยู่เนี่ยอาการนี้อันนี้เป็นปะภาพปกติแต่ว่าเราก็ต้องกลับมารู้ลม รู้หลอันนั้นคืออาการที่มันมันหลับนะเพราะว่ามันไม่มีสติรู้หลับเป๊บเดียวอะ่ะกุ๊บแล้วถ้าถ้านั่งนะอาการหลับอย่างนี้นะถ้านั่งนะถ้ามันเกิดอาการหลับนี่นะเราก็ไปอยู่ในนั้นนะมันก็จะไหลปุุงกัไปเรื่อยเืเรื่อยเรื่อย เ, อ ย, เอยืแล้วพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาเราเข้าใจว่าเรามีสตินะเราเข้าใจว่าเหมือนเรามีสติแต่จริงๆไม่ใช่ไอ้อาการหลับ อาลับในภาวนาตัวนี้เป็นตัวถีนมิทะแท้ๆเลยไม่ได้เกิดจากร่างกายซึ่งเขาจะพวกนี้ก็จะออกมาทู่กันอย่างนี้แหละให้รู้ไว้ให้รู้ไว้รู้ไว้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เราก็กลับมาอยู่ที่ลมใช่ไหมต้องกลับมาอยู่ที่ลมอุติกายเมีมีอะไรอีกล่าวยี่ควส่วนหนึ่งที่ได้ข้อคิจกวันนี้คือแ ต, ะ ต, ะตะก่ตก่อนแต่ก่อนเลยปีตอนเด็กๆเลยก็เ ค, คยเคยลองฝึกอาลับสึกแล้ว เนี<_<_่ยก็จะคสร้างเนี่ยก็จะจะวิ um> ่มีกำลังใจที่จะทำต่ออืมอ๋อวันนี้ก็มีความรู้สึกว่ายิ่งยิ่งรู้เยอะเนี่ยแสดงให้เรายิ่งรูตัวเยอะใช่ใชก็มีกำลังใจให้ตัวเองมากขึ้นเออเออแสดว่ารู้ตัวมากขึ้นอืมเอาก็เรียกเอาอะไรไนะเอาเอาปัญหามาเป็นกำไรวิกฤตเป็นโอกาสเออเอมันเจอวิกฤตบ่อยมันถึงพูดคล่อง เอาวิกฤตไปโนกัดเดียมเดียมเดยมอ่ะเอาข้างหลังหน่อยข้างหลังเหมือนเลยคล้ายๆก็คือว่ายังมีความฟุ้งอย่างเดิมแต่ก็รู้เออเก็บเกี่ยวไปเรื่อยนะเก็บเกี่ยวไปเรื่อย แล้วเราก็ควรจะ น, นํามันมาคุยกับปรึกษากับการรัชกายคือตัวเองอะนะนี่ขนาดเราแข็งแรงนะเรายังขนาดนี้เรามานั่งสมาธิเราก็นั่งแค่ให้จิตมันรู้อยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างเงี้ยมันยังมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาให้เราได้รู้ได้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าร่างกายเราอ่อนแอไปกว่านี้อะไรไปกว่านี้ถึงตอนนั้นมีเวทนามามีน้นมานี่มา และเราจะอยู่ยังไงเราจะเอาเขาได้ยังไงเออเพราะฉะนั้นมันต้องยิ่งเพิ่มเข้าไปนะเพิ่มเพิ่มเกลียวของความเพียรให้มากขึ้นทุกอย่างมันสามารถไปได้หมดด้วยอาศัยความต่อเนื่องและความออความติดต่อความบ่อยๆล อ, องทําอย่างต่อเนื่องความเพียรที่ต่อเนื่องสําคัญที่สุดจะรู้แค่ไหนเก่งแค่ไหนแต่ถ้าไม่ต่อเนื่องนะเออ จะมีภาชนะทองคำนั่น น, น้าแย่ไปข้างนอกรับผลมาสีห้าเม็ด <c oughs> แล้วก็กลับมาจบหยุดนั่นๆ้นานแย่ไปรับน้ําผลสักสี่ห้าเม็ดอย่าหวังเลยว่ามันจะได้กินน้ําผลเย็นๆแม้มีภาชนะทองคําแม้เราจะเก่งเราจะพร้อมเราจะมีพื้นฐานอะไรมากก็ตามถ้าไม่มีความเพียรที่ติดต่อไม่มีความเพียรที่ต่อเนื่องไม่มีทาง เราเรารู้อย่างนี้แล้วก็นําไปประยุกต์แล้วก็นําไปปรับใช้แล้วก็ให้ดูมันเป็นเป็นเป็นวิทยาศาสตร์อ่ะแล้วกลับไปถึงบ้านเราก่อนอาบน้ําอาบท่าก็ว่างๆใช่ไหมเออเราก็ไปเดินบสบายๆรู้ลมเดินรู้ลมสักห้านาทีสิบนาทีเก็บเกี่ยวมันเข้าไว้อย่างว่างๆก็นั่งรู้ลมไปสักบาทีมันนั่งตรงโน้นไม่ได้ตรงไหนก็ได้แล้วก็ปรับในชีวิตประจําวันให้สามารถ รู้โดมได้ให้ทุกอิริยาบถในชีวิตประจาวันให้ได้ให้ได้มันก็จะยิ่งทำให้เราเก้าวหน้ามากขึ้นเอ้พนเป็นไงบ้งางหลังจากไปเดินมาเนี่ยดีกวาชาเลยรอะก็คดีสกว่าเชเลยครับดีกว่าเม<ะ>ื่มอเชา้ า, ชานี่เยอะไหมความบ้างไงอ่ะเชามันการสร้างอย่ครับอ่าร่วยครับล้วก็ไปเราไปเดินกลอกมตอนเดินทั้งงวดครับทำมาได้ตาราี อารมณคนละแอ่าเพราะว่ามันไปได้ประสบการณ์จากการรู้ตอนเดินใช่ไหมโน่นอ่ะนี่เราจะพูดไหมเนี่ยคนเก่าแต่ว่าห่างหายไปนานเนี่ยลองพูดสิมาสการค่ะบางครั้งนั่งแล้วก็ฟุ้งแล้วก็กลับมาบางครั้งรู้สึกเหนื่อยอ่ะอาจจะเป็นไปเพ่งหรอือ เ, เหนื่อยใช่ไหม ต อ, ตอนนั่งหรือตอนเดินตอนนั่งอ่ะค่ะอตอนหายใจเข้าแล้วก็ออกรู้ลมอ่ะบางบางจังหวะมันเหนื่อยอะค่ะเหนื่อยเพราะมันจะไปไ ป, ไปเพ่งตรงตรงนิมิตอะอไปเพ่งมากเกินไปต้องต้องปรับแล้วเหนื่อยเนี่ยเราแต่เราไ ป, ไปเราไปลาเราเพ่งกลายเป็นว่าเราเหมือนไปกดอยู่ด้านล่างของของช่องจมูกอะกดด้านล่างของช่องจมูก เ, เ, เพ่งเพื่อการเพื่อที่จะให้รู้ใช่ไหม แล้วก็ปรับไม่ต้องไปเพ่งมันแค่หายใจออกดูมันรู้โดยโดยรวมทั้งหมดเนี้ยแล้วก็รู้ตรงนั้นเลยเอาตรงนั้นขึ้นมาปรับตัวรู้ขึ้นมาปรับฐานที่รู้ขึ้นมาเอมันก็ช่วงช่วงการหายใจมันมันเหมือ น, นจะยาวอ่ะค่ะพอเราไปกำหนดมันไนะอืมพอเราไปกำหนดมันลองปล่องเลยลองปล่อยให้รู้ตรงเนี้ยรู้ตรงเนี้ยรู้คว <c oughs> ามนานของลมไม่ใช่รู้ ไม่ใช่รู้ความนานของเวลาอลองปรับดูตอนช่วงนี้รู้สึกเอความม่วงน้อยลงเจ้าค่ ะ, ะความวม่วงจะน้อยลงอนโบทนาเพราะว่าอายุขนาดนี้ถ้าความง่วงน้อยลงนี่อนุโมทนารีมันอนุโบทนาเลยอะ่ะก็ยัง ยังมีอะไรที่ส่วนเกินเจ้าค่ะบงครั้งมันมีอะไรที่หลวงพ่อบอกให้หยิบทิ้งไปอ่ะมันก็มีเข้ามาเหมือนกันหยิบไหมพ่อมีบางครั้งมันก็จะมีเรื่องเรื่องของแสงสีอะไรอเงี้ยนะเจ้าค่ะก็ไม่สนใจก็จะค่อยๆค่อยเข้มหวดกันขึ้นนะก็ไม่สนใจมันแล้วก็บางครั้งมันร้อนมีร้อนๆอยู่ที่ตรงกลางอกเจ้าค่ะก็มันก็ส่วนเกินอีกเหมือนพยายามมันสบายดีนะเจ้าค่ะ แต่ก็ <laughs> ยังจะไม่สนใจมันเจ้าค่ะสบายดีเหรอ <laughs> เออโยมองคหน่อยนี่สบายแล้วมีคนเก่าแล้วเนี่ยเนี่ยมาฝั่งนี้คนเก่าแลยคนใหม่ก็ฝั่งนู้นคนใหม่ก็จะบริสุทธิ์คือพูดเรื่องเรื่องสภาวะจริงๆของตนเองคนเก่าก็จะต้องดูว่าจะเป็นแบบไหนอออ่ะวันนี้ช่วงเช้าวันนะคะจะรู้สึกว่าผีนามิธาเยอะ แต่ช่วงบ่ายนี่ดีมากเลยอะคะอ่ะก็คือว่าจะเห็นนิมิตชัดแล้วก็เห็นลมเข้าออกอืแล้วก็มีแบบคิดเองนะคะว่าเอ่อเรามีสติได้มากขึ้นลนะค่ะอืมเพราะว่าเห็นอย่างชาัดแล้วก็ลมมันเบาอ่ะค่ะหลวงพ่อเออได้ถ้าเห็นลมเบานี่มันหมายความว่าอะไรเห็นว่าลมมันเบานี่ยหมายความว่าไงไม่ทราบเหมือนกันนะคะ ฮะฮะหมายความว่าลมนั้นเป็นลมธรรมชาติคือว่าเราเรารู้สึกแด้เราเห็นลมมันเบาเนี่ยหมายความว่าลมนั้นอะ่ะมันเป็นลมธรรมชาติคือมันเบาของมันอย่างนั้นเราแค่ไปรู้ไปเห็นมันเข้าใจปะเออเอาดีมากอนุโบทนาแคทเอาหน่อยวะลูกเว้ย ก็ช่วงบ่ายมันก็จะสงบดีกว่าช่วงเช้าอ่ะค่ะแต่ว่ามันมีความง่วงนะคะตอนที่มานั่งเนี่ยค่ะนิดนึงค่ะปกติไอ้ง่วงตอนเชา้าง่วงตอนเชา้างาว่วงตอนบ่ายไม่เหมือนกันนะสังเกตไหมเคยสังเกตไหมทีนมิทะตอนเช้ากับทีนมิทะตอนบ่ายไม่เหมือนกันไอตอนบ่ายเนี่ยถ้าขึ้นมาถึงนะให้นั่งสมาธิเลยนะ รับรองจะรู้เลยเ <laughs> ข้าใจยังว่าทาไมถึงต้องให้เดินถ้าให้นั่งนะโอ้ถีนนมิถ้าตอนบ่ายนี่เกลียวมันจะโอ้โหต่างกันเยอะแล้วกับทีนนมิต้าตอนเช้าต่อแต่วันนี้ก็พยายามปรับจิตตั้งแต่ช่วงเชา้าว่าลดความคาดหวังต่างๆค่ะหลวงพ่อมันก็รู้สึกว่านั่งได้นานขึ้นสบายขึ้นก็คือเหมือนกับ เราก็แค่ทํากิตก็แค่รู้ลมไม่ไม่ได้คาดหวังว่ามันดีไม่ดีได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก, ก็ลดตรงนี้ไปมันก็รู้สึกว่าเข้าที่เ <ภา S 1> ข้าทางขึ้น ท, ทางที่ถูกมากขึ้นเนี่ยถูกต้องคนคนใหม่ๆก็จะตกใจโอ้โ oh, หนี่ก็พูดกันถึงขั้นปรับจิตเลยก็ <laughs> <laughs> <g år> คืออันนี้เป็นสภาวะที่เกิดคือปรับไปเรื่อยปรับไปเรื่อย เพราะว่ารู้ความถูกต้องเป็นอย่างใหญ่ก็ปรับไปเรื่อยปรับไปเรื่อยมันเกิดใกล้เคียงกับความถูกต้องมากยิ่งขึ้นอ๋อปืนอีกคนดิปืนก็เดินดีนะวันนี้ไม่เห็นมันหลับยืนได้ตั้งหลับนี่ต้องดูคนนี้ของปวยเมื่อเช้าดีกว่าค่ะเหมือนแบตมันยังเต็มอยู่เมื่อเช้าก็นั่งรู้ลมยาวช่วงแรกก็รู้ต้นลมกลางลมปลายลมตอนแรกว่าเออ ม, มันยาวแล้วก็กหนด สักพกลมมันก็เบาขึ้นก็เห็นลมสั้นสั้นแบบธรรมชาติอะคะ่ะหลุดออกไปอ่ะก็รู้คือมันเห็นเหมือนเมื่อเช้ามันมีความทันมากกว่าในความที่หลุดไปปกติเวลากลับมามันจะมีความกระชากมันจะไม่ค่อยนิ่มงมัวแต่เมื่อเช้าคือแบบมันมีความอุเบกขามัพูดไม่ถูกมันรู้สึกว่าแบบมันวางใจได้ดีกว่าเดิมเยอะอะคะ่ะ แล้วก็เห็นลมสั้นก็รู้ว่าสั้นสั้นบางครั้งสั้นละเอียดบางครั้งสั้นห ย, ยาบหยาบมันเมื่อเช้ามันเห็นชัดกว่าอ hmm. พอตะ ก, กี้ที่เดินก็มันต้องมีการปรับเป็นระยะบางครั้งแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราคาดหวังว่ามันต้องชัดเพราะบางครั้งมันชัดมากบางครั้งก็มีง่วงแต่ง่วงเสร็จเออพอเราผ่อนจิตออกมาให้มันเบาเบางอยค่ะ เ, เออมันสบายเออมันก็ดับไปก็เออก็มีความค่อยๆ่อย ระหว่างนี้ก็เห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างตั้งไปเรียนรู้ไปค่ะนี่ให้ให้เฮียหน่อเอาไ ป, าปทงหน่อยคนทุดท้ายนี่คือว่าจะให้เป็นตัวแทนกลุ่มกลุ่มของคนที่ที่แบบคนเก่าแต่ไม่ไม่ได้มาในช่วงที่พูดกันถึงเรื่องนิมิตแต่พูดกันเรื่องของที่ตั้งของจิตรู้แต่หลังจากที่นี่ก็ไปศึกษาเองลองดูว่าวันนี้เป็นยังไง แสงสีที่คุณหมอพูดนั่นคือดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีต้องทำยังไงต่อไปครับพรคุณหมอพูดถึงแสงสีก็อยากครับไม่มีไม่มีอะไรดีหรือไม่ดีแต่แต่ว่าไม่ไม่เอาไม่มีอะไรดีหรือไม่ดีเหมือนเรานั่งรถเราไปเห็นต้นไม้ข้างนู้นเราตนเห็นต้นไม้สีแดงเห็นต้นไม้ข้างนี้สีเขียวไม่ใช่เรื่องดีหรือไม่ดีแต่เราไม่เอาเราไม่เอา อืมคือว่ามันเห็นก็เห็นไปมันเป็นเส้นทางของการปฏิบัติคุณหมอเห็นนะ่ะสีหนึ่งเราเห็นนะ่ะสีหนึ่งอ้ต่อไม่ใช่เรื่องดีหรือไม่ดีเราไปใส่ว่าดีหรือไม่ดีไม่ได้ถ้าเราไปใส่ว่าดีแสดงว่าไอ้ที่ไม่ดีมันมีอยู่ ถ้าเราใสยว่าไม่ดีแสดงว่าไอ้ที่ดีมันมีอยู่ใช่ไหมอไอ้นี่มันไม่ใช่เรื่องดีหรือไม่ดีแต่มันเป็นเหตุปัจจัยที่สามารถเกิดปรากฏขึ้นได้แล้วก็หายไปเกิดได้แล้วก็หายไปเกิดได้แล้วก็หายไปอ่ ะ, อะต่อเดินจงกรมนี่เดินเร็วเดินช้าอย่างไหนดีกว่ากันครับปรับบางทีอ่ะเหมือนอย่างชื่ออะไรนะคูโร่คูโรู่ <ะ S 2> โร่โมันเดินจับเน่าโด มือจับอย่างนี้แล้วรู้ลมเปไ็นไงอึดอัดไม่ได้ไหมไม่ได้ไม่นั่ไม่ค่อยดีเอาลองปล่อยมือลปลอ่ อ, ลปลอยมือแล้วเดินเปไ็นไงนีหรือนี่บางทีเขาก็เดินบางทีเกก็เดินช้าช้าบางทีรั่วมันเร็วมันก็จะทําให้เราไปลากไอ้ตัวรู้ออกมาสาหรับที่จะรู้ลมหายใจแล้วก็ไปรู้รู้รูกายใช่ไหมมันก็เหมือนกับเหมือนกับรู้เรามันเป็นสองจังหวะก็วิ่งไปวิ่งมา พอปรับการเดินให้เร็วขึ้นนิดนึงแล้วก็เดินรู้และรู้ลมด้วยแล้วดูการเดินให้มันเร็วขึ้นในการรู้กายกับรู้ลมเออมันมันพอดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับปรับให้มันพอดีใช่ครับพร่อาจารย์เคยแนะนําไปว่าให้เดินเร็วนะเอรู้สึกว่ามันเหมาะกับผมมากเดินเร็วแล้วจะรู้สึกตัวอืทั่วพร้อมมากกว่าที่เดินจงกรมช้าๆท้ๆไปแล้วตร ง, งนรี้ของเรา ครับถูกจริตกับผมถูกจริตแต่ครับแต่ตอนนี้ต้องรู้ลมด้วยนะรู้ลมเป็นหลักแล้วก็รู้ปกติค่อนข้างจะรู้ทั้งกายทั้งลมหายใจด้วยพร้อมๆกันค่อนข้างกันดีอยู่นะครับแต่วลารู้ลมเนี่ยครั้งนี้เวลารู้ลมต้องรู้ที่เดียวนะให้รู้ที่ลมที่เดียวอ่รู้ลมไม่ใช่รู้ลมที่เดียวไม่ต้องวิ่งตามรู้ลมที่เดียวแล้วก็รู้กายไปด้วยเหมือนอย่างนี้เอ่ อุปกรณ์มันไม่ไม่พอนะต้องพัฒนานะดูนี่เห็นไหมอ๋อเออมา่ดูนี่นะนี่ เห็นดอกไม้นี่ไหมเห็นไหมเห็นไหมดูดีๆดิดูที่ดอกไม้นี้เห็นไหมเห็นนี่ด้วยปะเห็นด้วยปะเห็นด้วยปะดูทีเดียวใช่ไหมเราต้องการดูอันนี้ใช่ไหมเราดูอันนี้เป็นหลักแต่เรารู้ตรงนี้ด้วยรู้ตรงนี้ด้วยรู้ตรงนี้ด้วยรู้ตรงนี้ด้วยรู้ตรงนี้ด้วยเหมือนกัน เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเรารู้ลีลมและรู้ลมนั้นอะ่ะมันรู้การเคลื่อนของกายด้วยรู้ที่กายด้วยอันนี้อย่างหนึง่งทีนี้กลับมาที่ลมหายใจอีกแป๊บหนึง่งอันนี้ตอนเดินไม่พูดกันพูดตอนนั่งรู้ลมเนี่ยที่พูดว่าตามความยาวของลมเข้าใจไหมเอาใหม่นะตั้งใจฟังให้ดีนี่ได้นี่มามันดีมากเลย นี่เป็นช่องจมูกก็เปรียบเสมือนตรงนี้ที่ลมมันผ่านแล้วนี่คือลมดูนะถ้าถ้าเราไปรู้ที่ตัวนี้เนี่ยรู้ที่ตัวนี้ที่เป็นลมใช่ไหมจิตเรามันจะประวิงเขาเรียกว่าวิกรรมปรติมันจะหวั่นไหวไปกับอันเนี้ยเหมือนกับเราพยายามในการที่จะกดให้มันอยู่ที่เดียว แต่จิตมันจะประวิงเพื่อที่จะเข้าไปหาตัวนี้มันจะไปกลมออกกลมเข้ามันจะตลอดเวลาเลยแล้วเหมือนเราพยายามที่จะกดให้มันอยู่กับตัวนี้แต่จิตเราไปรู้ในตัวนี้ตามความยาวของมันตามขนาดของลมทีนี้ที่บอกใหม่คือรู้จุดที่จุดที่มันเคลื่อนที่มันสัมผัสที่มันผัสสะที่มันกระทบ ใช่ไหมแล้วรู้ความยาวของมันเป็นแบบไหนตามเวลาเป็นความนานใช่ไหมรู้อย่างนี้ได้จิตจะออกจากลมและออกจากนิมิตเขา้าใจยังตื้อ ต, ตื้นนี่ใส่เองไม่ต้องไปใส่นะเวลารู้ <c oughs> คืออามที่มันรูดออกมาแล้วมันสัมผัสอย่างเงี้ยเราก็สามารถคือความยาวนี่มันยาวสองอย่างไง ยาวระยะทางกับระยะเวลานี่จุดที่มันสัมผัสต ร, ตรงนี้ถ้าตรงนี้เป็นนิมิตนะเข้าใจไหมให้เข้าใจนะจะเป็นอุปการะมากเข้าใจไหม <Okay. S 1> คือตตามความนาน ของลมที่มันคลดไปตามจุดที่สัมผัสที่เราเรียกกันว่านินมิตนี่เรียกว่าลมยาวพระสาริบุตรตั้นใช้ว่าอัฐานสังขาตีทีนี้ลมสั้นเป็นยังไงพอเรารู้ลมยาวนี้ไปเรื่อยๆๆืๆๆยจิตมันจะเข้ า, า Harvard, สู่ความสงบพอจิตเข้าสู่ความสบกาย erm มันจะนิ่งกายมันจะสงบลมมันจะสั้นของมันเอง ลมมันจะสั้นของมันเองเดี๋ยวจะรู้ว่าเวลาอยู่ๆลมมันสั้นแล้วจะรู้สึกโอ้โหเออหลวงพ่อพูดทิ้งไว้อ๋ออย่างนี้เองกลับไปทำที่บ้านนะเออจ ด, จดไปด้วยนะวันไหนเวลาเท่าไหร่เวลาเรารู้ไปเรื่อยๆพอจิตมันก็สงบลมที่มันเรารู้ความนานของมันมันจะสั้นเวลาสั้นเราจะทำยังไงมันก็รู้ความสั้นของมันเขาใช้คำว่าอิแ ต, ต่รัด อิทระสังขาเตอิทระสังขารเตอิทธระแปลว่านิดหน่อยรู้ความเป็นนิดหน่อยของมันที่เลื่อนออกเลื่อนเข้าถ้าเปรียบเทียบให้เป็นเสียงไงตอนตอนตอนตอนลมมันนานความนานของมันอืดยาวไปตอนมันสั้นอัดอึดอืเ <c oughs> ข้าใจไหมเดี๋ยวจะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นงได้เห็นไอ้ดอกทำความเข้าใจตรงเนี้ยทําความเข้าใจอย่างนี้ไอ้ดีแล้วก็ไปฝึก ว่าเรารู้ลมเนี่ยเราไปวังอยู่กับลมหรือเปล่าเราไปฝังอยู่กับนิมิตหรือเปล่าเราต้องไม่ฝังทั้งลมไม่วังทั้งนิมิตแต่เราเพียงแค่อาศัยนิมิตแลวรู้การไหลของลมที่ไหลเข้าไหลออกตรงจุดที่มันสัมผัสตรงนั้นมันจะเป็นตัวลงล็อกกึ่งการพอดีเลยเอยอันตรายนะเนี่ยอืมอ่ะเตียบรรอยขออนโบทนากับทุกคนนะ